เออสมควรใชเวลานิดหน่อยได้ทำบุญแล้วก็บังเพื่อให้เข้าใจว่าทำบุญกับทำทานคนละอย่างในตัวของเรามีกายกับมีใจสังขารร่างกายเกิดแล้วแก่เจ็บ ใจของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่คนในโลกไม่ค่อยดูใจดูแต่ร่างกายแต่งแต่ร่างกายรักษาแต่ร่างกายรักษาเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตายแต่ใจไม่เท่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ค่อยดูกัน ถาดูใจเห็นใจก็เห็นสวรรค์ใจพาไปสวรรค์ใจพาไปปณิพานธ์หังขาดร่างกายเอาทิ้งหมดมันะนั่นถึงฝากไปเราเกิดมาด้วยบุญเราต้องอยู่ด้วยบุญเราต้องกลับอันเก่าด้วยบุญเพื่อไว้บุญอยู่ด้วยบุญก็คืออยู่ด้วยการดูลมเข้าลมออก ถ้าเห็นลงก็เห็นบุญบอกแล้วถ้าเห็นบุญก็เห็นใจเห็นข้าวเห็นน้ำเห็นสิ่งเห็นของเห็นเงินเห็นทองก็อยากร่ำรวยเห็นเขาประดับประดาก็อยากสวยงามร่ารวยมันเป็นบาปสวยงามมันเป็นบาปร่ำรวยมันเกิดความโลภน้เกิดความโลภมันก็เป็นบาปสวยงามก็ทําให้เกิดความรัก ถ้าเกิดความรักก็เป็นบาปเพราะฉะนั้นอยากให้ดูบุญบุญบุญไม่ได้ซื้อบุญคืออาหารใจใจคืออยู่ที่ลมถ้าเห็นลมก็เห็นบุญถ้าเห็นบุญก็เห็นใจอย่าไปดูมากสังขารร่างกายมันไม่เที่ยงหามาเท่าไหร่เอามาแต่งเอามาประดาประดา ก็เท่าก็แก่์ก็เก็บก็ตายพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยผมเส้นหนึ่งก็เอาไปด้วยไม่ได้แต่คนเราก็หลงโลกนี้ทําให้สัตว์หลงอยู่โลกนี้คือความมืดครอบงําสัตว์โลกให้หลงหลงรักหลงโลนะตกโลกมาคือความอยากได้อยากรวย หลงรักก็อยากสวยอยากงามถ้าเกิดความรักมันเป็นบาปมันทำให้จิตใจมัวเมาเศร้าหมองถ้าจิตใจใสสะอาดก็ ค, คือดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกคุณยายมีอายุมั่นขวนยืนเพราะคุณยายดูลมไม่ขาดกดทนไหวพักนั่งสมาธิภาวนาทุกวันไม่ได้ขาดนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ห่วงหน้าห่วงหลัง เป็นเตือนออกตดนด่าโยมลูกหลานอยู่ประจำประจาก็คือให้รักษาใจให้ดูบุญถ้าเห็นบุญก็เห็นใจจะไปรักษาร่างกายมันเกินพอดีให้รักษาอยู่แต่อย่าเกินพอดีคิดดูเราเกิดมาแล้วของรักษาใจกับของรักษากายอะไรมากกว่ากาันรักษาร่างกายมากกว่า เทาร่างโฆชนาหารก็เพื่อร่างกายเครื่องนุ่งเครื่องห่มก็เพื่อร่างกายบ้านอยู่อาศัยก็เพื่อร่างกายยารักษาโรคก็เพื่อร่างกายจะรักษาเท่าไหร่ก็เท่าก็แย่บ้านใหญ่บ้านโตเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่เข้าน้ำโฆชนาหารเครื่องนุ่งเครื่องห่มประดับประดาเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เก็บก็ตาย ใจไม่เท่าไม่แตะใจไม่เก็บไม่ตายใจพาไปสวรรค์ถ้าเคยดูบุญดูสวรรค์ใจก็ไปสวรรค์ได้ถ้าไม่เคยดูสวรรค์ใจก็ไปตกนรกรู้จักไหมนรกอ่ะนรกก็คือร่ารวยกับสวยงามใจของเราไปยึดติดรํารวยไปยึดติดสวยงามจะไปสวรรค์ได้ไหมที่นั่นะ เราฉะนั้นดักไปสวรรค์คอยดูทุกวันทุกวันอาหารใจไม่ได้ซื้อสักบาดของร่างกายอาหารไม่กี่อย่างคิดดูที่อยู่อาศัยราคาแพงย่ารักษาโลกก็ราคาแพงแต่รักษาใจไม่มีราคาแต่ไม่ดูเมื่อเวลาไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นใจคนไทยเห็นแต่ร่างกายมัวเมาลุ่มหลงหอดของบุตรของเน่า คุกทีอยู่ของบูดของเนา่าเอาทำของพระพุทธเจ้ามาแปลดูดิทำไมไปหลงรักหลงโลกนะเพราะฉะนั้นเพราะเรารักเราหลงเพราะเราไม่ดูใจถ้าดูใจบ่อยๆมันก็เกิดเบื่อหน่ายจากความรักความโลภความหลงบอกให้ทําทุกวันทุกวันฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้จิตใจมันยุ่งจิตใจมันยุ่ง นั่นเห็นไหมล่ะไปตามความยุ่งมันยุ่งก็หยุดยุ่งสิคำของพูะเจ้าที่พระเจ้าทำได้เพราะอะไรเพราะพูะเจ้ามีสัจจะถ้าเราไม่ได้ตัตตารูปเราไม่ทุกข์จากเพนั่นถ้าเราไม่ได้นั่งดูลมเข้าออกวันนี้หนึ่งนาทีเราไม่ยอมนอนว่าไปที่มีสัจจะในหัวใจมันไม่ได้เสื้อนะดูลมถ้าได้เสื้อหลวงปู่ไม่บอก น่ารักใจมีกำลังวังชายแข็งแรงก็ดูลมไม่ได้ขาดท้องปุ่นไม่ได้ขาดเฉพาะวันนี้ลูกหลานราษฎานิ ม, มนต์หลวงปู่หลวงพอ่อคนต่างพระเจ้าประสงค์สวดต่ออายุให้คุณยายให้มีอายุมั่นขวัญยืนเป็นลงโพลมใสของลูกของหลานปัจจุบันนี้ก็ตั้งล้อยหกปีแล้วนั่น นั่นละ่ะปัญญาอยู่ด้วยการทำบุญสวดมนต์ไหว้พระแลวก็นั่งสมาธิทุกวันไม่ได้ขาดเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้ทำเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิบทักดิ์สิทธ้่างหลายในสังกัดนรกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่งหลายในสังกัดนรกอันนี้ ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักภาษาคุณยายความูกความรักจงมีทุกความทุกควมเจริญทุกกายทุกใจให้จากทุกโศกรกภัยการงานจึงใด้กาเงินจึงได้บัตนาถึงอันได้ก็จงสําเร็จจงสําเร็จโดยเฉพาในหลักคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญเมตตามภาอย่าได้ขาดคุณกุศลที่เราได้ทําแบบนี้จงปกป้องปกปักรักษา โดยเฉพาะเราทำบุญบุญตัวนี้จงปกป้องปกปักษรักษาให้จิตใจของทุกคู่ทุกคนจงมีแต่คนสุกคนเจริญมาจากทุโกโศกรมไปารงานสิ่งใดการเงินสิ่งใดโดยเฉพาะให้รักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็อย่าพังกันลืมในเวลาเราไม่ลืมแล้วจะส่งจิตใจของเราไปสู่สวรรค์ไปสู่พรนิพพานด้วยอํานาจคุณกุศลที่เราได้ทำอย่านี้ ขอให้ที่พวกเราได้ปัตนามรรคผลนิพานให้มีดวงจิตดวงใจทุกผู้ทุกคนถึงสวรรค์ถึงปณิพันในปัจจุบันในชาตินี่เถิดอะพุ่มอะโลวาเวในโมตัส bad. Uh -huh. นางลาสติภัคยังสุขังบารังสิริอายุจวันนจะคนังวุฒิจยสวาสตวาสจายุจัทิ สาบะซางค่ะ ทิยังกายกรรมว่าจักกรรมวาทิยังว่าทิยีงมนกรรมว่านติเกว่าทิยนับดิยนับิกัตาวาละระพันทิ